สวัสดีแฟนรายการพระเจอผีนะคะในช anel บน YouTube แล้วก็ทาง Facebook Fanpage พระเจอผีด้วยค่ะวันนี้บีเองก็มีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัว สำหรับผู้ที่ไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์นี้มาซึ่งเรียกว่าเป็นประสบการณ์หนีตายไปเจอผีค่ะเจอวิญญาณที่ลําตะคองนี่แหละนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยในเว็บไซต์พันทิปนะคะที่เป็นกระทูผ้ผีหรือว่ารวมเรื่องเล่าสยองขวัญค่ ะ, ะเผอิญว่าบีไปเจอมาก็เลยนามาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างไรแล้วก็ต้องขออนุญาตสาหรับเจ้าของกระทู้ด้วยนะคะ เนื่องจากว่าเจ้าของกระทู้ได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งครั้งนั้นเจ้าของกระทู้บอกว่าสําหรับเราเนี่ยเรียกว่าน่ากลัวมากซึ่งตัวของเราเองก็ไม่คิดเลยค่ะว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาเขียนแล้วก็มาแชร์เรื่องนี้ให้กับทุกๆคนได้ฟังกัน เริ่มจากได้ไปเที่ยวแล้วก็เข้าพักประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะคะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ปากช่องแถวเขาใหญ่ค่ะจองที่พักล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วก็ในเช้าวันก่อนเดินทางเนี่ยน้องสาวตื่นมาพูดกับเจ้าของกระทู้ก่อนการเดินทางบอกว่าไปดีนะกูฝันไม่ดีเลยตอนนั้นนี่ก็ยังขำๆอยู่ไม่ได้คิดอะไรค่ะ ก็ยังบอกน้องสาวกลับอยู่เลยบอกว่าดีนะต่อชีวิตให้กูอีกแล้วสินะเออนะคะจนเดินทางไปถึงแล้วก็เข้าเช็คอินคือทุกอย่างปกติมากค่ะซึ่งตอนที่อยู่รีสอร์ทเนี่ยก็ไม่ได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรนอนหลับสบายไม่มีฝันร้ายอะไรเลยจนถึงเช้าก่อนวันเช็คเอาท์นะคะหลังจากที่รับประทานอาหารเช้าเรียบร้อย เจ้าของกระทู้กับพี่ที่ไปด้วยกันซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่ก็ชวนกันไปเล่นน้ำซึ่งเป็นคลองลำตะคลองข้างๆรีสอร์ทนะคะก็จะมีชูชีพมีเรือให้เล่นตามปกติแต่ว่าด้วยความที่เป็นหน้าฝนน้ำก็ค่อนข้างเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงด้วยซึ่งเจ้าของกระทู้เองก็ว่ายน้ำไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ เลยใส่ชูชีพไว้ตลอดแต่ว่าพี่อีกคนนึงค่ะว่ายน้ําเก่งชูชีพที่เบิกมาก็เลยถอดไว้ริมแม่น้ํานะคะก็ไม่ได้ใส่ตอนลงเล่นน้ํำละค่ะซึ่งตอนที่เล่นน้ํากันก็มีแค่2คนเนะะี่ยค่ะที่เล่นมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาเล่ น, เ ล, นเล่นแป๊บเดียวก็ไปแล้วก็ขึ้นไปจนเหลือเพียงแค่ผู้หญิงสองคนจนเวลาประมาณ10บโมงเช้ากะจะกลับแล้วละนะคะก็กลับไปเตรียมตัวเช็คเอาท์แต่ว่าชูชีพที่เขาเบิกมาเนี่ยต้องเอาไปคืน2 อ, อัน ซึ่งอันของพี่เขาที่ถอดวางไว้ริมน้ำมันหายไปซึ่งหายังไงก็หาไม่เจอหาอยู่พักหนึ่งค่ะจน2คนนี่ก็เห็นชูชีพที่หาอยู่เนี่ยมันลอยไปไกลมากแล้วก็ติดอยู่กับกอไผ่ออกไปนอกพื้นที่รีสอร์ทแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่างงมากชูชีพลอยไปตอนไหนลอยไปได้ยังไงทำไมไม่เห็นแล้วทาไมไปไกลจัง ซึ่งตรงที่เห็นชูชีพนั้นเนี่ยนะคะก็เห็นว่ามีคนใส่ชูชีพเล่นน้ำกันอยู่2คนค่ะส่งเสียงดังมาจากแถวนั้นก็เลยได้ยินและได้เห็นชูชีพก็เลยเข้าใจนะคะว่าเราต้องไปเอาชูชีพกลับคืนมาให้ได้พี่ที่ไปด้วยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอว่ายน้าไปเองแต่ในใจของเจ้าของกระทู้เนี่ยคิดบอกเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยนะน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แดงมาก ก็เลยบอกว่าเอาเรือไปดีกว่าพายไปด้วยกันไหมไม่อยากให้ไปคนเดียวเลยซึ่งตอนตอนนั้นก็ตกลงนะคะว่าจะพายเรือไปก็เลยลงเรือค่ะแต่ว่าตอนลงเรือนี่ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนไม่ค่อยโอเคอยู่ๆก็พูดออกมาบอกว่าไม่ไปได้ไหมอ่ะทิ้งชูชีพไปเถอะถ้าเราไปเราไม่ได้กลับแน่เลยก็พูดเหมือนเป็นลางเลยนะคะซึ่งปกติ จะเป็นคนที่ไม่พูดอะไรแบบนี้ซึ่งพี่เขาก็บอก ไ, ه, ไม่เป็นไรพายไปแปบบ๊แ บ, บเดียวเองนั่นไงยังเห็นคนเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นเลยพี่เขาบอกซึ่งเราก็โอเคอะจริงๆในใจก็ไม่ค่อยโอเคเลยละแต่ก็พูดออกไปบอกอโอเคโอเคอะไรประมาณนี้พอพายเรือไปได้ครึ่งทางค่ะจากจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งมันก็ออกนอกพื้นที่รีสอร์ทไปแล้วละ่ะน้าก็ค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวพายวนไปวนมา จนไปเจอเชือกเหมือนปักเบ็ดตกปลาไว้นี่ะจากฝั่งอะค่ะก็เลยเงยหน้ามองขึ้นไปเห็นพี่ผู้ชายวัยกลางคนสวมเสือ้อแขนยาวกางเกงขายาวสีกรมท่านะคะเป็นสีทึบๆหน่อยใส่หมวกนั่งเฝ้าเบ็ดแล้วก็มองเราสองคนอยู่ซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่ากลัวเรือจะไปโดนเบ็ดพี่เขาก็เลยยกมือไหว้ขอโทษพี่เขาพี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรก็หันมองตามเรือแล้วก็ยิ้มให้จนเรือเนี่ยสุดสายตาพี่เขาไปนะคะ พายไปได้สักพักหนึ่งจนถึงจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งเป็นต้นไผ่ที่ขวางคลองอยู่และเสื้อชูชีพก็อยู่ตรงนั้นเราก็เลยหยิบเสื้อชูชีพมาแล้วก็ช่วยกันพายพายเรือนี่นะเพื่อจะหันหัวเรือพายกลับซึ่งตอนนั้นเรือพายไม่ไปค่ะวนกลับมาติดอยู่ที่กอไผ่ตอนนั้นก็คิดอยู่ติดอยู่ทางห่างตาก็ยังเห็นคนชุดขาว2อคนเนี่ยใส่ชูชีพยืนอยู่ริมน้าแวบๆเลยเนะะี่ยค่ะก็ยังแอบรู้สึกอุ่นใจนิดๆเนาะ เข้าใจว่าถ้ากลับไม่ได้จริงๆขึ้นไปข้างบนก็คงเจอรีสอร์ทของสองคนนี้ที่เล่นน้ำอยู่แน่ๆเลยผ่านไปไม่ถึง5นาทีค่ะคุณผู้ฟังเรือติดอยู่ก้อภัยค่ะแล้วก็ตัวของเจ้าของกระทู้แล้วก็พี่ที่เป็นเพื่อนกันที่ไปด้วยกันเนี่ยโดนน้ำไผ่เกี่ยวทำอะไรแทบจะไม่ได้หัวเรือเริ่มจมแล้วนะคะน้ำก็เริ่มเข้าเรือเยอะมากจนสุดท้ายเรือก็จมน้าลงไปโชคดีนะคะที่เจ้าของกระทู้ว่ายน้าไม่เป็นเนี่ยใส่ชูชีพ แต่ว่าตอนนั้นก็พยายามตะเกียดตะกายเหมือนจะจมน้ำด้วยเพราะว่าชูชีพที่ใส่เนี่ยมันหลวมแล้วเหมือนตัวจะหลุดออกจากชูชีพจมน้ำไปทีนึงค่อยๆตั้งสติแล้วก็ใส่ชูชีพให้ดีนาทีนั้นเนี่ยคิดว่ายัางไงก็ต้องไม่รอดแน่เลยอยากร้องไห้มากๆกลัวตายก็กลัวค่ะพยายามตั้งสติคิดว่ายังไงก็ต้องเอาชีวิตรอดกลับไปให้ได้ จนเราค่อยๆเกาะต้นไผ่ไปถึงริมฝั่งทา่าริมฝั่งนะคะพอเท้าแตะพื้นได้ค่ะก็เลยยื่นไม้ช่วยพี่เขาขึ้นมาแล้วก็รีบปีนขึ้นฝั่งกันค่ะซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกันกันกบรีสอร์ทที่พักะนะคะไม่ใช่ฝั่งเดียวกันนะซึ่งกอไผ่นี่มันจะอยู่ตรงข้ามกับรีสอร์ทเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าพายเรือข้ามน้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ทีนี้พอถึงฝั่งตอนนั้นก็กะว่าจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากสองคนเสื้อขาวที่เห็นแวบๆบแบบตอนว่าใส่ชูชีพยืนอยู่บนฝั่งแล้วไม่ก็พี่คนตกปลาก็ได้นะะี่ค่ะแต่พอขึ้นมาบนฝั่งแล้วค่ะตกใจมากมันเป็นป่ารกต้นไม้สูงประมาณเข่ามีไม้หนามเยอะมากเคว้งคว้างมากไม่รู้จะไปทางไหนดีค่ะตอนนั้นรู้อย่างเดียวคือต้องวิ่งให้ได้แล้วก็ต้องวิ่งไปให้ไกลที่สุด คิดอย่างเดียวคืออยากกลับบ้านแล้วอยากร้องไห้ค่ะแต่ร้องไม่ออกรีบวิ่งแบบไม่มีจุดหมายเลยนะะีค่ะวิ่งไปได้ครึ่งทางได้อ่าพี่คนที่ไปด้วยเนี่ยก็หยุดวิ่งแล้วบอกเฮ<ะ>้ยกลับไปทางน้ํากันเถอะพี่ว่าเราน่าจะว่ายน้ํากลับได้นะข้างบนร้อนก็ร้อนโอ้โหตอนนั้นนี่ปี๊แตกมากเลยค่ะคือไม่ไปเลยค่ะยังไงก็ไม่ลงน้ําแน่นอนเพราะกลัวมากน้ํามันทั้งลึกทั้งเชี่ยว จนหยุดตั้งสติได้แล้วก็ค่อยๆมองไปรอบๆเห็นเสาไฟฟ้าอยู่ไกลๆนั่นก็แสดงว่าต้องมีถนนถูกไหมคะก็เลยพาพี่เขาเนี่ยรีบวิ่งไปที่เสาไฟฟ้าจนเจอถนนและก็วัดเก่าๆที่อยู่ตรงนั้นค่ะแต่ว่ามีรั้วลวดหนามกั้นไว้อยู่ก็ต้องค่อยๆคลานออกมากันทีนี้พอมาถึงถนนตรงท้ามวัด ตอนนั้นเนี่ยเจ็บเท้ามากหนาำที่เต็มเท้าไปหมดตกใจก็ตกใจตบหน้าตัวเองคิดว่าตัวเองตายไปแล้วด้วยซ้ำจนสักพักหนึ่งมีรถวิ่งมาก็เลยโบกรถแล้วก็ขอติดรถกลับไปที่รีสอร์ทด้วยนะคะพี่เขาที่ขับรถมาเขาก็ตกใจนะะว่าเรานี่มาจากไหนกันมาโผล่ที่นี่ได้ยังไง ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนพูดแบบไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นึงจนพี่เขาขับไปส่งที่รีสอร์ทแล้วก็ขอบคุณพี่เขามากๆถ้าไม่ได้พี่เขานี่คงแย่แน่เลยนะคะคือไกลมากค่ะระยะทางจากที่พี่เขารับขึ้นมาส่งไปถึงรีสอร์ทเนี่ยพอกลับมาถึงก็บอกเจ้าของรีสอร์ทบอกทําเรือจมช่วยให้เด็กไปเอาทีเพราะว่าไม่สามารถเอาเรือขึ้นมาเองได้ทางเจ้าของรีสอร์ตก็ตกใจบอกว่ากันก็ว่าแบบไปกันได้ยังไงทําไมลูกน้องถึงปล่อยให้ไปได้น้ําเชี่ยวมากเลยนะ ตอนนั้นสองคนเนี่ยนะคะที่ไปเนี่ยเจ้าของเรื่องก็บอกโอ้ดีใจมากที่รอดมาได้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็ยังขำๆว่าพอรอดมาได้แล้วก็สนุกดีนะจนในที่สุดนะคะก็สามารถที่จะเช็คเอาท์แล้วก็เดินทางกลับแต่ว่าระหว่างที่อยู่บนรถค่ะอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าแล้วพี่ผู้ชายคนที่นั่งตกปลาอยู่เขาเห็นเรือเราล่มทำไมเขาไม่มาช่วยเราเลยวะ ค่ะใช่นะะียคะหลังจากนั้นต่างคนก็เริ่มไม่โอเคแล้วและก็คิดว่าเอออีกอย่างคือป่าไกลขนาดนั้นเขาเข้ามาตกปลาไกลจังแล้วน้ําเชี่ยวขนาดนั้นยังมีปลามากินเบ็ดหรอตอนนั้นเริ่มช็อกแล้วนะคะแล้วก็อีกข้อนึงที่ตั้งคําถามไว่าคือพี่แล้วสองคนที่เราเห็นที่ที่เราเห็นใส่ชูชีพใส่เสื้อสีขาวเนี่ยเข้าพักอยู่ที่รีสอร์ทไหนทําไมเราขึ้นฝั่งแล้วมันมีแต่ป่า ไม่เห็นมีรีสอร์ทหรือว่าบ้านคนเลยเพราะว่าระยะทางที่เราหลงไปในป่านี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนใส่เสื้อชูชีพมาเล่นน้ำกันระหว่างทางกลับตอนนั้นอยากร้องไห้มากกลัวไปหมดค่ะเรื่องที่เจอมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ ธ, ธรรมดาคือมานั่งทบทวนความรู้สึกตั้งแต่แรกเลยพี่ที่ไปกับเราอยากจะว่ายน้าไปเอาชูชีพมากๆเหมือนคนไม่มีสติเลยเหมือนมีอะไรดนใจอยากให้ลงน้าไป แล้วยิ่งตอนที่วิ่งไปในป่าแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็บอกว่าเรากลับไปทางน้ำกันเถอะพี่เขาบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นคืออยากลงน้ำแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะทีนี้พอกลับมาถึงบ้านก็เกิดความวิตกกังวลมากกลัวด้วยร้อนด้วยก็เลยลองเข้า Google Map ดูว่าที่ที่เกิดเหตุที่เราเจอคน2คนเล่นน้ำมีรีสอร์ทหรือว่าบ้านคนไหมตอนนั้นเห็นใน Google Map แล้วน้าตาไหลเลยค่ะ เป็นป่าล้วนๆไม่มีอะไรเลยกลัวมากนอนไม่หลับคิดแต่เรื่องเดียวแล้วก็พยายามเซิร์ชหาข้อมูลจนเซิร์ชไปเจอข่าวนึงเมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะมีคนจมน้ำที่คลองลำตะคองเสียชีวิตค่ะเห็นรูปศพเห็นชุดแล้วคล้ายกับพี่ที่นั่งเฝ้าเบ็ดตกปลามากๆก็ยิ่งช็อกไปกันใหญ่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะว่าต้องเป็นคนในข่าวหรือว่าต้องเป็นผีหรือสิ่งที่เจอเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าเราก็รู้สึกกลัวแล้วก็กลัวมากไม่รู้ว่าตัวเองตอนนั้นเนี่ยรอดมาได้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้พอมีสติแล้วหายกลัวแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าโชคดีตอนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้คิดถึงผีสางอะไรขึ้นมาในตอนนั้นถ้านึกถึงเนี่ยคงสติหลุดมากกว่านี้อาจจะเอาชีวิตรอดกลับมาไม่ได้สำหรับเราครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยละค่ะไม่เคยเจอมาก่อน แล้วปีนี้เนี่ยก็อายุ25ปีด้วยคงแค่ฟาดเคราะห์ไปซึ่งปกติเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็คิดว่ายังไงก็ต้องใช่แน่นอนเลยโชคดีค่ะที่ยังมีสติมากๆก็เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะคะตั้งสติให้มากๆตอนนั้นหลังจากที่ รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรพอจับใจความเดาทางได้นะคะก็ตักบาตรทาบุญแล้วก็ถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้สิ่งที่ได้ไปประสบพบเจอที่เขื่อนลำตะคลองด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ต้องบอกว่าเล่าไปคิดภาพไปจินตนาการตามไปเนี่ย น่ากลัวพอสมควรนะคุณผู้ฟังลองคิดดูเป็นน้ํากว้างๆนะคะแล้วข้างๆนี่นก็จะมีแต่ป่าลายล้อมซึ่งไม่มีคนเลยวิ่งไปที่ไหนก็มีแต่ป่ามีแต่ป่าแต่ว่าโชคดีนะที่ยังพอมีสติอยู่บ้างมองเห็นว่ามันมีเสาไฟฟ้านะคะก็เลยตัดสินใจวิ่งตามเสาไฟฟ้าไปไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าตัดสินใจวิ่งวกกลับไปแล้วก็ไปลงน้ําตามที่พี่คนนั้นบอกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของผี แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นผีพ่อค้าไม่ใช่พ่อค้าธรรมดาด้วยคุณผู้ฟังเป็นพ่อค้าต่างประเทศอบังค่ะอาบังนี่เล่นเอาเรียบร้อยแล้วเป็นผีค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองฟังดูก็แล้วกันคราวนี้เป็นเรื่องของอบังคนหนึ่งซึ่งเป็นแขกขาวนะคะแกก็มีอาชีพขายมุง้งคุณผู้ฟังชื่อว่าคาริบ ประมาณนั้นนะเท่าที่จำได้เพราะว่าฟังสำเนียงเขาไม่ออกเวลาพูดชื่อตัวเองแต่ว่าแกพูดไทยชัดนะอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วจากที่แกเล่าให้คนอื่นฟังคือเมื่อก่อนเนี่ยแกอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบได้มาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาขออาศัยที่ห้องเช่าด้านท้ายตลาดของยายประนอมเพื่อนในแก๊งของคุณยายเองนี่แหละนะคะคุณยายของเจ้าของเรื่องเนี่ยเรียกแขก ค, คนนี้ว่าไอ้กระติปคนอื่นๆก็พากันเรียกตามคุณยาย อย่างที่บอกแล้วค่ะบังกระติบเนี่ยมีอาชีพขายมุง้งแต่ไม่ได้ขายมุ้งธรรมดานะคะขายมุ้งบางหน้าอาชีพหลักจริงๆของแกคือคนทําของคนเล่นกลอะไรสักอย่างนึงที่ชอบไปตามหมู่บ้านในต่างจังหวัดแล้วก็ให้คนมาดูดวงทีนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเรื่องบอกว่าเคยเห็นตอนอบังมาอยู่ใหม่ๆเหมือนกันเคยมาดูดวงที่บ้านยายบ้านคุณยายของเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะซึ่งตอนบ่ายๆถ้ายายไม่ได้ไปวัด ก็จะมีแก๊งยายๆทั้งหลายในหมู่บ้านเนี่ยตั้งวงเคี้ยวหมากกันแจ๊บบเลยเพราะว่าบ้านยายที่ปลูกพลูพวกคนแก่ก็จะหิ้วหมากมาเองแล้วก็มากินพลูฟรีที่บ้านยายแก๊งยายๆก็ชอบเข้าวัดนะคะถือศีลวันพระอะไรแบบนี้เรื่องดูดวงพวกแกไม่ค่อยสนใจเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าหลวงตาเองก็จะห้ามอยู่บ่อยๆนะคะ ตอนที่อาบังมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยนะคะก็หลายครั้งนะคะก็จะดูดวงแล้วก็บอกว่าจะดูให้ฟรีจากที่ไม่ค่อยสนใจแก๊งใหญ่ๆนี่พอได้ยินคำว่าฟรีเอาสิคะเหมือนสาวๆสมัยนี้แหละเห็นของเซลกับการดูดวงของบังที่บอกว่าฟรีก็เลยไปคะ่ะ ขอวันเกิดมาทํานายก็มีเล่นกลให้ยายฉีกกระดาษเป็น3มชิ้นแล้วรับไปร่ามนให้กระดาษนี่ติดกันแล้วก็เอากระดาษมาเขียนเลข10ตัวอย่าให้ใครเห็นด้วยนะแล้วบางแกก็จะทายโดยใช้ตาทิฟดูว่ายายเนี่ยเขียนเลขอะไรบ้างเป็นต้นนะคะไปไปมามาหลอกยายว่าจะให้หวยให้เลขค่ะถ้ามีค่าครูค่าวิชาอะไรอย่างนี้พวกยายเองก็สนใจก็ถามว่าเท่าไหร่แกก็บอกว่า 5,000 บาท เท่านั้นแหละค่ะยายเอาตะกรเชี่ยนหมากตีหัวแล้วก็ด่าโคตรแม่มึงสี่ซื้อหวย 5,000 บาทค่าครู 5,000 เจ้าของเรื่องบอกผมนั่งดูอยู่ก็หัวเราะจะเป็นจะตายตั้งแต่วันนั้นมาบางกระติปเนี่ยก็ไม่กล้ามาบ้านยายอีกเลยแต่ว่าจะตะเวนหลอกคนไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านหรือว่าตามจังหวัดไกลๆนยะค่ะไม่ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยรู้แล้วก็ไม่ดูให้คนในหมู่บ้านด้วยแต่ว่าหลังจากที่บางกระติบมาอยู่ได้เกือบปีแกก็ตายค่ะ ตายแบบไม่รู้สาเหตุเหมือนกันแต่ว่านอนหลับแล้วก็ตายไปเฉยๆยายบอกว่าไหลาตายประมาณนี้ทีนี้ก็มีปัญหาละสิคะเพราะไม่มีไม่มีใครรู้ว่าบางเนี่ยเป็นคนศาสนาอะไรคิดว่าไม่น่าจะใช่อิสลามเพราะว่าแกกินหมูด้วยบางทีก็ไปกระดกเล่าตามซุ้มยาดองไม่มีใครรู้ประวัติแกญาติพี่น้องแกก็ไม่รู้จักสุดท้ายไปไหนไม่รอดก็ต้องเอามาที่วัดค่ ะ, ะเผอิญว่าช่วงนั้นเนี่ย คนสำคัญในวัดนี่ไม่มีใครอยู่นะคะยายบอกว่าจเจาอาวาดก็ลงไปกรุงเทพไปรับสมณศักดิ์พระป ร, ะรีนหลวงตาสีก็ไปด้วยและที่สำคัญค่ะปู่มีพระเอกของเรื่องนี้ก็ไปด้วยเพราะว่าหลวงตาให้ไปถือเงินการเดินทางก็คือนั่งรถไฟไปนะคะไม่รู้จะไปนานแค่ไหนก็เลยมีการเชิญสั ป, ปเหรอจากต่างอำเภอมาทำศพให้ แต่ว่าลุงสับ ป, ปรเรทเนี่ยแกเมามาไม่ได้ก็เลยส่งหลานชายแกมาแทนหลานชายแกก็ดีดีค่ะเอาบางกระติบใส่ลงให้เฉยๆแล้วก็กลับนะคะเพราะใหญ่ไม่ใหญ่คนเท่าคนแก่ก็ไม่รู้จะจัดการยังไงก็เลยเอาไปเผาที่เชิงตะกอนท้ายวัดซึ่งตอนนั้นนียังไม่มีเมนเผาศพ บ, บางตายเช้าเผาตอนเย็นเช้ามาไปดูปรากฏว่าไม่ไหม้ค่ะไ ม, ไม่ไหม้ไฟนีคะตัวยังดำๆทั้งตัวเลยก็เลยเผาใหม่ เช้าวันที่สองมาดูไม่ไหม้อีกค่ะเขาก็เลยพูดว่าบังเนี่ยคงเป็นคนาศาสนาอื่นเผาก็เลยไม่ไห ม, ม้ไม่ยอมไม่ยอมแบบเหลือแต่เท่าฐานอะไรงนี้ก็เลยตกลงกันบอกเอองั้นฝังละกันเย็นวันที่สองก็เลยเอาบังเนี่ยไปฝังไว้ที่ป่าช้าท้ายวัดห่างจากกุฏิที่อ่าที่ปู่มีอยู่ไม่ไกลนักนะคะวันที่3หลังจากเอาบังกระติบไปไว้วัด ยายประนอมเจ้าของห้องเช่าค่ะก็จําเป็นต้องขนของบางแกไปทิ้งเพื่อจัดการพื้นที่คนในหมู่บ้านก็ช่วยกันหลายคนค่ะทีนี้ของที่จะขนไปนี่มันมีมุ้งอยู่เกือบสิบหลังที่บางแกขายแต่ก็ไม่ได้ขายนะคะยังเก็บไว้อยู่สภาพยังดีอยู่จะทิ้งก็เสียดายชาวบ้านก็เลยไหว้บงังแล้วก็บอกขอมุ้งไปใช้นะแต่ว่าในส่วนของคุณยายของเจ้าของเรื่องนี่นะคะไม่ได้เอามุ้งของบางไปเพราะบอกว่ามุ้งเรานี่มันยังดีอยู่ ก็เลยเอ า, อายางกระติกเนี่ยนะคะที่มันเป็นยางมัดแกงเนี่ย ม, มัดนับได้เกือบ30รูนะคะก็ยังดีอยู่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันขาดแต่มันก็สามารถมัดได้ถูกไหมมันไม่ได้ขาดแบบวงใหญ่อะไรงนี้แน่นอนค่ะว่าทุกคนคงจะต้องเดาต่อไปได้บางแกมาทวงมุง้งแกคืนคุณผู้ฟังวันที่3ที่บางแกตายทุกคนได้สมบัติของบางกระติบคือมุ้งค่ะไปครอบครองคิดว่าจะได้นอนเป็นสุกระสีท่าเปล่า รายแรกที่โดนคือลุงอีทช่างตัดผมก็มีหลายรายที่โดนแหละนะคะแต่ว่าจําได้แค่ลุงอีท e คนเดียวลุง e อีทก็เป็นหนุ่มโสดหนุ่มใหญ่อาศัยอยู่คนเดียวค่ะแกเล่าว่าได้มุ้งมาใหม่แกก็ม้วนมุ้งเก่าเตรียมจะไปเผาไฟทิ้งตอนเช้านะคะแล้วก็กางมุ้งใหม่ทันทีไม่ต้องซกต้องซักมันแล้วอยู่ในถุงพลาสติกไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรก็เลยตั้งใจนอนตั้งแต่หัวค่ากับมุ้งใหม่ สักเที่ยงคืนตีหนึ่งถึงได้รู้สึกนะะว่ามีคนอยู่นอกมุง้งแล้วก็กระซิบเบาๆว่าเล็มหนวดให้น้อยแกนึกว่าแกฝันไปก็เลยตอบว่ามาตัดอะไรตอนนี้หละพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่สิแต่เสียงนั้นก็ยังพูดซ้ำอยู่หลายครั้งเนะะีะว่าเล็มหนวดให้น้อยตัดน้อยหนวดยาวแล้วจนลุงอีทแกราคาญค่ะก็เลยพูดไปบอกเอองั้นเอาหนวดเข้ามาในมุง้งกูจะตัดให้ เท่านั้นแหละค่ะแกสะดุ้งตื่นเพราะจำได้นะคะว่าคนที่บอกว่าเล็มหนวดให้หน่อยตัดหนวดให้หน่อยจะมีบังกระติบคนเดียวที่มาใช้บริการคนอื่นๆจะโกนหนวดกันเองมาตั้งแต่ตัดผมนะคะแต่พอแกรู้สึกตัวแกก็บอกว่ารูเล็กๆตามมุงด้านปลายเท้าเนี่ยมีเส้นหนวดยาวเข้ามาแทบทุกรูเข้ามาเกือบครึ่งมุงเลยหนวดที่มันเข้ามาในมุงเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็มาสกิดตัวแก แกก็เลยรู้สึกตัวแล้วก็แหกปากร้องเลยและค่ะบอกกลัวแล้วกลัวแล้วก็เลยนึกถึงหลวงตาขอให้ช่วยพอนึกได้เท่านั้นแหละหนวดก็หดกลับไปอย่างเร็วแต่ว่ามันไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะสิคะคุณผู้ฟังแกบอกว่าบางกรติบเนี่ยมันเอาหน้าเข้ามาแนบมุ้งด้วยนะเออเอากับมันสินอกจากจะเอาหนวดเข้ามาแล้วนะคะยังเอาหน้ามาแนบมุง้งดันหน้าเข้ามาแต่มาแค่หัวนะคะแล้วแลบลิ้นยาวๆเลียมุ้งไป ร, บรอบ ปากก็บอกว่ามุ้งของฉันถ้าไม่เอามาคืนหลวงตาก็ช่วยได้แค่นั้นแหละเช้าวันลุ่งขึ้นค่ะลุงอีทก็เลยต้องขนมุงเนี่ยไปคืนที่ห้องเช่าท้ายตลาดเลยวันนั้นวันเสาร์นะคะเจ้าของเรื่องไปตลาดกับยายพอดี เห็นลุงอีดแกร้องไห้อยู่กลางตลาดแต่ก็ไม่ได้สนใจนึกว่าแกเมาบ่ายลุงอีทก็มาหายายที่บ้านกับแก๊งคนเท่าคนแก่ก็นึกขำกันในใจว่าเมื่อเช้าเนี่ยแกยังผมดกปกลายหิวทําไมช่วงบ่ายเนี่ยลุงอีทตัดทรงผมแปลกแปลกเออวะแม่หัวโกรนเลยนะยายบอกนะคะแล้วแกก็เล่าเรื่องโดนผีหลอกให้ยายกับคนแก่ฟังทีนี้เนี่ยเจ้าของเรื่องถึงเข้าใจว่าอ๋อที่ลุงอีดผมร่วงก็เพราะว่าโดนผีหลอก คืนที่4ที่5ก็มีคนโดนทํานองเดียวกันนะจนต้องเอามุงไปคืนแต่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นค่ะบอกเลยมีคนบอกว่าบาังกะทิปเนี่ยถึงกับเดินมาให้เห็นเป็นตัวเป็นเป็นเลยมาซุ้มยาดองมาขอแบบเดิมจนซุ้มยาดองต้องปิดหนีค่ะแต่ก็มีคนเจอไม่มากนะักคนเชื่อก็มีเพราะว่าโดนกับตัวเองคนไม่เชื่อก็เพราะมีอ่าก็มีเหมือนกันเพราะว่าไม่เห็นไม่เจอกับตัวเองแต่เจ้าของเรื่องเนี่ยไม่เห็น ก็เลยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ฟังฟังไปเพราะสนุกดีก็เลยลืมลืมเล่าอีกคนหนึ่งที่โดนดีไปซึ่งจะบอกว่าตอนนั้นเจ้าของเรื่องเนี่ยบอกว่าลุงอีทช่างตัดผมเนี่ยโดนบางกระติบมาทวงมุ้งเป็นคนแรกถูกั้มแต่ว่ามีอีกคนค่ะที่โดนแต่ไม่แน่ใจว่าใช่บางกระติบมาหลอกหรือเปล่าคนคนนั้นก็คือยายของผมเองครับย้อนหลังกลับไปเหมือนกัน ก่อนที่บางกติบตายไม่นานนักพอดีว่ายายเนี่ยมีเวลาอยู่ว่างๆแกก็จะทำสวนทําไร่ปลูกขา้าวโพดปลูกสาระแหน่ปลูกบวบไปก่อนที่จะปลูกบวบเนี่ยมันมีเหตุนะคะคือายายเนี่ยลงข้าวโพดไว้กำลังขึ้นงามเลยผมก็ยังเด็กๆอยู่ก็ไปโรงเรียนครูสอนว่ากลับบ้านมาให้ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านผมก็กลับมา บอกยายว่าครูเนี่ยให้ช่วยยายก็ยุ ung, ่งยุ่งทำกับข้าวอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีเวลาสอนทำอะไรเลยแกก็บอกว่าเออถ้าอยากช่วยก็ไปถอนหญ้าในไร่ให้หน่อยผมก็ไปพอดีไปด้วยความที่เป็นเด็กนะแยกไม่ออกอันไหนมันคือหญ้าอันไหนมันคือข้อโพด ท, ที่กำลังขึ้นก็เล่นถอนหมดสักเกือบสิบแปลงได้ พ่อยายมาเห็นค่ะลมจับไล่ตีแทบตายสรุปว่าเขาโพดกำลังขึ้นบันไลหมดเลยนะคะยายก็เลยต้องลงบวบแทนเพราะบวบกำลังขึ้น ง, งามๆมันจะเป็นเถาใช่ไหมคะก็ทำนองอก็ไปทานั่งร้านให้เถาบวบมันขึ้นไปพันพอมันออกลูกมันก็ห้อยลงมายายก็เอาถุงทรายเอาขวดกระทิงแดงไปผูกให้ลูกมันยาวๆจะได้ราคาดีๆ บางกะติบก็มาตายช่วงนั้นพอดีค่ะจําได้ไหมคะที่บอกว่าเอาไปฝังไว้ในป่าช้าท้ายวัดหลังจากลุงอีทโดนดีมาสองสวันยายก็มาจะมาทํานั่งร้านปลูกบวบ ก, ก็ต้องตัดไม้แกก็แบกมีดอิโต้ไปตัดไม้ที่ริมรัว้วนอกเขตวัดแถวแถวท้ายปา่าช้าที่บางกระติบถูกฝังไว้ไม้ที่ตัดก็เป็นต้นกรถินที่ฝักเขียวๆเนี่ยนะคะแบบยืนต้นไม่ใช่กระถินต้นเล็กๆนะ แต่เป็นกระถินใหญ่นะคะสัก5าโมง6กโมงได้ค่ะช่วงนั้นหน้าหนาวก็จะมืดไวแกตัดเสร็จก็ผูกเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดกะว่าพรุ่งนี้เช้าจะมาเอาตอนที่แกเตรียมเตรียมตัวที่จะกลับเนี่ยคุณยายก็เล่า ว, ว่าต้นไม้ไท้ายวัดมันจะสูงแกอยู่นอกวัดไม้ที่ตัดก็เป็นไม้แบบ เป็นเป็นไม้ที่มันอยู่ป่านอกเขตวัดนะีคะไม้ในวัดคือใหญ่แกจะไม่เอาก็มองข้ามรั้ววัดไปก็เป็นป่าช้าก็เห็นยอดไม้ต้นหนึง่งใกล้ๆหลุมของบางกะทิพอดีมันสันๆต้นอื่นมันไม่สันน ะ, ะก็เลยนึกแปลกใจก็เลยมองขึ้นไปนึกว่างูช่วงนั้นมันใกล้มืดพอดีค่ะแกก็เห็นว่าเป็นร่างคนเอาขาเกี่ยวกิ่งไม้ห้อยหัวลงมาแล้วก็ขย่มนะคะใบไม้มันก็ร่วงเต็มไปหมดเลยเห็นแค่นั้นก็รู้เลยแหละค่ะว่าไม่ใช่คน แต่ว่ายายเป็นคนไม่กลัวผีไงแกก็เลยยืนดูดูสิมันจะทําอะไรพอร่างนั้นเหมือนมันเห็นยายยืนดูมันก็กระโดดแบบห้อยหัวเลยล่ะค่ะแต่ว่าเอาขาเกี่ยวแทนมือข้ามต้นไม้มาทีละต้นทีละต้นเกือบจะใกล้ถึงยายละแต่มันกระโดดข้ามเขตกําแพงวัดไม่ได้ก็เลยหล่นลงมาที่พื้นจากนั้นนะคะยายที่เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเนี่ยแกก็หวั่นหวันอยู่บ้างนะคะฟังจากน้ําเสียงแกเล่าแล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นเงาที่ว่ามันกลับขึ้นไปใหม่เนี่ย แต่มันไม่ได้ปีนขึ้นแบบคนปกตินะยายบอกว่ามันเดินมันเอาเท้าเหยียบลำต้นขึ้นกางแขนออกแล้วก็เดินตั้งฉากขึ้นต้นไม้เลยแกเห็นมันโชว์ขนาดนั้นแกก็รีบกลับบ้านเลยแหละค่ะวันต่อมาแกก็เล่าให้คนอื่นๆเล่าให้เพื่อนๆแกฟังเจ้าของเรื่องก็นั่งฟังด้วยแกบอกว่าไอ้กระติบมันหลอกกูเออแล้วทีนี้เนี่ยพอแกเล่าเสร็จเจ้าของเรื่องเป็นคนปากไวก็เลยถามไปบอก แม่แม่ก็เรียกเรียกยายว่าแม่ประมาณนี้นะคะีค่ะแล้วมีดอิโต้ไม่ได้เอากลับมาหรอคนทั้งวงค่ะเงียบยายหันมามองหลานช้าๆเช็ดน้ำหมากนิดนึงเจ้าของเรื่องบอกเห็นยายแมวเพื่อนยายเนี่ยยกมือขึ้นบอกอยู่ข้างหลังยายก็รู้สึกแปลกนิดนิดแล้วยายก็บอกว่าเออกูลืมไปเอาให้หน่อยอ้าวความซวยมันตกที่ผมทันใดแต่ผมมันคนกลัวผีชนิดกลัวสุดๆผมก็ไม่ไป ผมก็ไปจ้างไอ้โทนเพื่อนกันที่เป็นเด็กวัดเนี่ยให้ไปเอาให้หน่อยซึ่งมันก็ดีดีนะ5บาทมันก็ไปเอาให้ สรุปว่าวันต่อมาไอ้โทนโดนบางกรติบหลอกค่ะคุณผู้ฟังไอ้โทนเล่าว่าบางกรติบเนี่ยลุกออกมาจากหลุมนะวิ่งไล่จับไอ้โทนแต่เจ้าของเรื่องหมอกนั่งฟังเขาเล่าไม่ได้ฟังจากปากของมันเองว่าจะจริงขนาดไหนชาวบ้านก็งี้แหละนะะี่ะเรื่องบางเรื่องเริ่มจากสิบก็เล่าต่อกันไปกันมาจนถึงร้อยจนถ0 0พถ้าไม่ได้ฟังจากเจ้าตัวก็เชื่ อ, อยากแต่ว่ากรณีนี้น่าจะจริงนะเพราะไอ้โทนเนี่ยมันไม่คุยกับผมนานเลย มีดอิโต้ใหญก็ไม่ได้กลับมาด้วยนะคะเพราะว่ายายนี่ไม่ยอมไปเอาเหมือนกันนั่งร้านบวบก็เลยต้องใช้ท่อพีวีแทนไม้นั่งร้านค่ะทีนี้พอ2อาทิตย์ผ่านไปเหตุการณ์มันน่าจะบานปลายกว่านี้แต่ปู่มีดันกลับมาซะก่อนไงหลวงตาบอกให้แกกลับมาคนเดียวจเจ้าอาวาดกับหลวงตาไม่ได้กลับมาด้วยเพราะว่ามีงานที่จะต้องอยู่ต่อที่กรุงเทพนะคะ ปูมีเองแกก็กลับมาแบบเงียบๆนะคะก็กลับมาทำกิจวัตรตามปกติของแกแล้วค่ะแต่ว่าวัดที่ที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นทั้งวัดเลย กบจะไม่มีคนอยู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นพระหลวงนาหลวงพี่รวมถึงพระบวชใหม่ที่อยู่ในวัดก็กลับไปอยู่บ้านญาติบ้างหรือไปอยู่วัดอื่นที่ไกลออกไปเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงเข้าพรรษานั่นเองนะคะไม่งั้นท่านคงจะแย่ลวค่ะเพราะว่าไปค้างที่อื่นก็ไม่ได้เหมือนกันถ้ามองตามความเป็นจริงพระในวัดก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละค่ะท่านคงจะกลัวอยู่บ้างนะคะเนื่องจากว่าพระผู้ใหญ่ในวัดที่คอยอบรมสั่งสอนดูแลไม่อยู่ทั้งสองรูปเลย ทีนี้ปู่มีตื่นตีห้าไงเตรียมรถเข็นตามพระไปบิณฑบาตตั้งแต่เช้าปกติแต่ว่าแกมาคนเดียวเพราะพระท่านก็กลับไปอยู่ที่บ้านญาติของท่านเองนะคะหรือว่าความหมายก็คือไปฉันข้าวที่บ้านญาติอะไรประมาณนี้คือไม่ได้มาฉันข้าวในวัดประมาณนี้แหละนะคะปู่มีเองก็คงคิดว่าตัวเองเนี่ยสายตามพระไม่ทันแกก็เข็นรถเข้ามาในหมู่บ้านคนเดียวค่ะ พอชาวบ้านเห็นแกเท่านั้นแหละก็มารุมมาฟ้องแกใหญ่เลยมาถามแกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะซึ่งเจ้าของเรื่องบอกผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยก็ดูท่าทางแกก็ขำๆอยู่ไม่น้อยมีหน้าแหละพระถึงหายทั้งวัดหมาก็หายหมดเมื่อสืบสาวราวเรื่องเสร็จเรียบร้อยทิ้งเที่ยงแกก็พาคนในหมู่บ้านเนี่ยไปที่หลุมฝังศพของบางกะติบ ปูมีบอกว่าการที่เอาบางกระติบมาฝังในป่าช้าแล้วก็ไม่ได้ทำพิธีให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นเนื่องจากไม่มีสับเะเลอ ม, มาฝังให้แต่ว่าชาวบ้านนี่ฝังกันเองนะคะก็คือบางกระติบก็เลยไม่ได้อยู่ในความดูแลของนายป่าช้าที่จะควบคุมดูแลได้ต้องให้ญาติมาบอกกับคุณตาคุณยายด้วยนะคะแล้วถึงจะฝังถูกต้องตามหลักการแต่มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าบางกระติบเนี่ยคือไม่มีญาติไง ปู่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ชาวบ้านช่วยกันขุดลงขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถ้าบางกะติบมันลุกขึ้นมาเพ่นพ่านง่ายๆก็จับมันคว่มหน้าซะก็สิ้นเรื่องสรุปก็คือเอาลงบางกะติบเนี่ยฝังคว่ำหน้าลงดินค่ะรอจนกว่าจะหาญาติมาทำพิธีให้ได้คืนนั้นก็ทำเรื่องแล้วค่ะคุณผู้ฟังคือบางกรติบเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวบารมีของปู่เลย คือหลุมฝังศพอยู่ไม่ห่างจากกุฏิพระที่มีปู่แกอยู่นักเนี่ยนะคประมาณ50เมตรเป็นกุฏิไม้เก่าๆลุงอีดเจ้าเก่าไงคนที่ไปเอ า, เอามุง้งจำได้ไหมที่โดนบางกระติบเนี่ยมาหลอกคนแรกเลยนะคะเป็นช่างตัดผมมาเรียกคุณยายตั้งแต่เช้าเลยค่ะบอกว่าให้ไปดูปูม่มียายก็คิดว่าปู่เป็นอะไรก็เลยรีบพาไปดูนะคะพากันไปถึงป่าช้าท้ายวัดที่ปู่มีอยู่สภาพที่เจอนะปู่เนี่ยไม่ได้เป็นอะไร นั่งกินหมากอยู่บนแคร่สบายใจเลยแหละแต่ที่ลุงอิฐ ต, ตกใจมาเรียกยายไปดูคือกระท่อมที่ปู่มีอยู่เนี่ยนะคะมันพังลงมาแถบหนึ่งค่ะพังยับเลยมีโลงศพอยู่ข้างๆเอาเสือแดงๆของวัดนี่คลุมไว้สองผืนแต่พอมองเห็นว่าแต่ก็มองเห็นนะว่าเป็นโลงศพซึ่งตอนแรกก็นึกว่ามีคนตายใหม่ยายก็เลยถามปู่ว่าอะไรยังไงปู่ก็เลยบอกมันเล่นกูแล้วกูนึกประมาทไปดูนั่นสิ แกชี้นิ้วไปที่หลุมบางหลุมศพของบางกะติบที่ห่างไปหน่อยนึงไอ้ห่ามันขุดดินมาถอนเสาเรือนกูเจ้าของเรื่องก็เลยมองตามที่แกชี้ไปเออจริงอย่างว่ามีรอยคล้ายทางเดินตามป่าที่รกๆอ่ะนะคะแล้วถ้าเราเดินบ่อยๆหญ้ามันก็จะตายจะแหวกเป็นทางเดินให้แต่รอยมันใหม่ๆอยู่ไงเหมือนรอยถางหญ้ามากกว่ามีดินกระจุยกระจายรอบๆทางแต่เหมือนถูกออกรบๆฝังๆไปบ้างอนะคะ ยายก็เลยถามว่ามันขนาดนี้แล้วปู่ยังจะทำยังไงดีละ่ะจะทำจะทายังไงต่อดีละ่ะนะะยายถามปู่ก็เลยบอกว่าขอนอนคิดสักคืนนึงไม่รีบไม่ร้อนเพราะจะต้องทำให้มันเรียบร้อยยายก็บอกว่ากระท่อมพังให้ปู่เนี่ยไปอยู่ที่บ้านลุงอีดก็ได้ปู่ก็ตอบทันทีมันพังเรือนกูกูก็จะนอนที่เรือนมันนี่แหละ เจ้าของเรื่องบอกผมไม่ได้อยู่ฟังต่อเพราะว่าไปโรงเรียนซะก่อนลุงอีทขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาส่งที่บ้านให้แต่งตัวแล้วก็รีบไปโรงเรียนทีนี้เมื่อตอนเย็นๆยายก็เล่าให้เดอกแกงเนี่ยฟังนะคะที่อยู่ในชุมชนเด็กแกงยายๆทั้งหลายเนี่ยแกรนดมาเธอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะพอเล่าจบก็มีคนถามอา้าวแล้วทูนายนูแกจะไปอยู่ไหนอยู่ศ า, าลาเลอะยายก็ตอบว่าไม่แกไม่ได้อยู่ในศาลาแกเอาเสือมาปูแล้วก็นอนบนโลงศพของบางกระติบนั่นแหละ ก็เลนึกย้อนไปเมื่อเช้าวันนั้นเหตุการณ์มันติดต่อกันพอดีมันพังเรือนกูกู้ก็จะนอนที่เรือนมันโลงศพนั่นก็คงจะเป็นเรือนของบางกรติบแกก็คงไปขุดขึ้นมาอ๋อมีหน้าล่ะเช้าอีกวันคนก็พากันไปวัดแต่เชา้าค่ะฟังปูม่มีจัดการเรื่องมีคนถามปู่นอนบนโลงไม่หลอกมันไม่มาหลอกเอาหรอแกก็ตอบภาษาอะไรแค่นี้หนักกว่านี้ก็ยังเคยคนอื่นก็ถามต่อเอาไงดีล่ะปู่ แกบอกว่าต้องหาญาติมันบอกกล่าวในป่าช้ามันเป็นวิธีเดียวแต่ญาติมันไม่มีนี่สิงั้นมีใครอาสาเป็นญาติมันไม่ล่ะใครที่มันสนิทด้วยที่สุดปู่มีพูดจบทุกคนมองไปที่ยายประนอมเจ้าของห้องเช่าที่บางกะติปเคยอยู่ปู่แกก็หัวเราะแล้วก็บอกเออยนอมก็ดีเหมือนกันบ้านก็ให้มันอยู่ข้าวก็ให้มันกินคงเหมือนญาติมันนั่นแหละยายประนอมค่ะก็เลยกลายเป็นญาติของบางกะติปไปโดยปริยาย ก็ได้ยินกระ บ, บ่นบ่อยๆนะผีก็โดนหลอกเสียตังก็ต้องเสียอีกสวยจริงๆปู่ให้ยายประนอมเนี่ยจัดเครื่องไหว้ที่เขาทําพิธีกันแล้วก็มาบอกกล่าวที่วัดนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าของเรื่องก็ไปดูพิธีไหว้ก็อะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังไหว้เสร็จบอกกล่าวเสร็จก็มีการเปิดลงแต่ศพไม่น่ากลัวนะมันจะกลายเป็นศพแห้งๆแล้วก็ดําๆจากการเผามาก่อนเห็นแต่เป็นรูปร่างคนนะคะ แล้วปู่แกก็ เ, เอาสิวกับคอนเนี่ยเจาะส่วนหัวของบังกรติบออกมานึกภาพเหมือนหนังนางนาคนะคะแต่ไม่ได้เจาะหน้าผักนะแกเจาะเอาตรงกลางกระหม่อมออกมาแล้วก็เก็บใส่ย่ามไปจะเอาไปทําอะไรก็ไม่ทราบได้เพราะไม่ได้ติดตามต่อนะคะด้วยความเป็นเด็กก็เลยลืมเรื่องนี้ไปก็มานึกได้ตอนมาเล่านี่แหละนะคะจากนั้นก็ฝังลงบังกรติปตามปกติปู่มีก็เอาของไหว้ไปกินเชยเลย ไอ้พวกเด็กๆเนี่ยก็รอกินค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกหัวหมงหัวหมูขนมต้มขนมถ้วยฟูอะไรแบบนี้นะคะแต่อดค่ะซึ่งปกติปู่แกจะใจดีนะแบ่งขนมให้เด็กๆหลังพระฉันเสร็จแต่ว่าคราวนี้ไม่แบ่งเรื่องราวของบางกระตีก็เงียบหายไปพระก็กลับมาอยู่ที่วัดได้เหมือนเดิมนะคะสักระยะหนึ่งก็เลยนึกถึงวันนั้นได้ว่าโมโหปู่ที่แกไม่แบ่งขนมให้ก็เลยเปรย์เปรย์บ่นให้ยายฟังยายก็บอกของนั้นเขาให้นายป่าช้ากิน ด้วยความที่เจ้าของเรื่องในตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่นะคะก็เถียงยายไปบอกแล้วยังไงอะแล้วทำไมปู่ถึงได้กินล่ะแล้วทำไมผมถึงไม่ได้กินล่ะประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยคุณยายก็โมโหสิคะส่งเสียงดังยายก็เลยด่าไปบอกอย่าส่งเสียงดังไปสิไอ้นายก็ปู่มีนั่นแหละนายปราช้า ผมไม่เข้าใจความหมายหรอกตอนนั้นว่านายปาช้าคืออะไรก็นึกว่านายปาช้าคือเจ้าของปาช้าเหมือนนายทุนเป็นเจ้าของเงินเยอะๆอะไรประมาณนี้พอมาทราบความตอ น, อตอนหลังนะคะหลังที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็มาทราบว่านายปชาช้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหัวหน้าผีค่ะแล้วก็ต้องเป็นผีด้วยกันขนลุกพอสมควรแต่ว่าปู่มีไม่ใช่ผีจะเป็นนายปาช้าได้ยังไงเอ๊ะหรือแกอาจจะเป็นจริงๆก็ไม่มีใครจะรู้ เรื่องราวในครั้งนั้นถึงจะผ่านมา10กว่าปีเกือบ20ปีก็ขออุทิศเรื่องนี้ทั้งหมดให้กับปูม่มีหากจําผิดพลาดไม่ตรงกับความจริงหรือว่าล่วงเกินปู่ผมต้องขอโทษปู่ด้วยนะครับภาพของปู่ที่ใจดีกับเด็กๆผมยังจําได้ไม่ลืมเลือนขอบคุณปู่ที่ดูแลเด็กๆมาตลอดขอบคุณครับไอ้นายของปู่นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่บีเองค่ะขออนุญาตนําเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันจากกระทู้เว็บไซต์พันทิป .com คือกระทู้ผี นี่แหละนะคะเป็นประสบการณ์จริงของเจ้าของกระทู้ค่ะเอาล่ะค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกด subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันในวันต่อไปสวัสดีค่ะ